แงงงกันโดยก็ชีให ด, ดีเนะ oh. นนนเดี๋ยวใกล้ๆก oh. <laughs> ็ตกหน้าขอรัยทีดีเขาจะหายงงวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะที่ย4สิบสี่ตุลาคมันรสี่สิบ็ ก็เป็นช่วงเวลาที่เรานักหมายว่าเราจะเจริญพระกรรมาฐานในแนวของอภิญญาสมาบัติเราจะพออิญญาจิตตามที่เวลานอาจารย์และคุณตาอาจารย์ท่านสึบทอดวิชานี้กันมาเธอก็ทำถูกต้องครบถ้วนดีเรามีดับไม้สามสีเชียนหนักหนึ่งบาท และนันบูชาครูอย่างน่ากันหนึงสลิงสมัยก่อนสลึงหนึ่งไี้ก็เกี่ยวได้ชามการที่เรามีดอกไม้เพื่เพียนบูชาครูใช้ดอกไม้สามสีเนี่ยมันเป็นตัวแทนอย่างพรัฒนาไตยซึ่งพัฒนรารตรเป็นครูบาอาจารย์ของเราเปียนเป็นสิ่งที่ ตั้งใจให้เกิดความระหว่างสวัยบูชาด้วยความสว่างสวัยบูชาด้วยของหอมบูชาด้วยดอกไม้สามสีพราอกระสิ่งที่เป็นตัดใจเงินที่เราจะละออกไปเป็นการละความโลภการละความโลภของเราเป็นเป็ น, ปนกรณีแรกและเราต้องมาบันเทาตามโกรธด้วยการตั้งใจสมาทานศีล สิ่งที่าารสาสมัครใจจะเป็นสิ่งของพรหมจรรยสิง่งที่เป็นด้วยควา ม, มาเมตตาจนไม่ได้ตามปรนนาทั้นนทงเมตตาตนเองแล้วก็เมตตาคนอื่นทั้งสงสารตัวเองและก็สงสารคนอื่นทั้งยินดีตัวเอง ia, แล้วก็ยินดีคนอื่นทั้งยอมรับความเป็นธรรมดาของตัวเองและก็ยอมรับความเป็นธรรมดาของคนอื่น จึงนี้ได้อุบัติเกิดขึ้นในใจของเธอมเมื่อเจอในอาดมตั้งใจที่จะดำลึกจนว่าเราจะเป็นพุทธมาม ก, กะและเป็นสาวกขององค์เสดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริ ง, รงเราจึงได้กล่าวว่าพุธทธังสรนังกชามิขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตธรรมสนังกชามิขอถึงซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ครั้งครังสนานังกระฉามิเราพอถึงซึ่งคนแห่งพระ อ, อริยสองทั้งหลายเป็นที่พึ่นของข้าพระเจ้าตลอดชีวิตและประกาศเป็นสัจจวาจาถึงสามวาระประกาศต้องทั่วนภากาศเป็นที่ทราบกันโดยว่าเราเป็นผู้ตั้งใจที่จะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, อริยสองเป็นที่พึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามในฐานะ เป็นสิบในผู้ต้องการที่จะเรียนรู้ในผลทางเพืความพ้นทุกข์นั้นเกิดก็เป็นผู้พร้อมด้วยกันละแ ล, ะแ ล, ะล้วด้วยบรรเทาและซึ่งความโลภละแ ล, ะล้วด้วยบรรเทาซึ่งความโกรธในเวลานี้เราไม่โกรธเราไม่มีสิ่งที่ไปติดอัดถูกบิดขั้นทําให้เราไม่พึงพอใจเราไม่ตามนักถึงบุคคลทั้งหลาย ที่เคยทําให้เรามีจิตใจเศร้าหมองและประคทดจะร้ายเราแล้วคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะดีหรือว่าจะเลวเขาจะเลวกับเราแค่ไหนเขาจะดีกับเราเพียงใดทุกคนก็ตายหมดแล้วนตัวของเราเองเราจะดีแค่ไหนหรือเราจะเลวแค่ไหนเราก็ตายเหมือนกันแต่เราจะตายอย่างคนที่มีคุณธรรม จะตายอย่างไม่ใช่ตายจะเป็นสัตนรกไม่จะตายแล้วกะเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรืไปเป็นสัตว์ในแดนชานไม่จะตายแลว้วมาเป็นมนุษย์ที่มีทุทกขเวทนาทรมานต้องมาเผชิญกับวิบากคือผลที่จนได้กระทำความชั่วไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วการตายของเรายังไม่จุดหมายปายทางว่าเราไม่ต้องการไปอบายภูมิ เต่ตก็ตัง้งจิตให้มั่นคงว่านับแต่ดับนี้เป็นต้นไปเชื่อลมไม่ใจเข้าออกเราอาจจะตายณนักเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้มันไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรที่จะบอกว่าเราจะตายเวลาิตอนไหนลมหไหใจไม่ทันจะเข้าก็ตายได้แลวยังไม่ทันจะออกร่างกายนี้ก็ดับห้าสี่ดับ เนื้อของเน่าเปื่อยผุพังมันดับที่เย่อวมันดับเนื้อหนังมังสมันดับรูปสมนมพันมันดับดับไม่เคลื่อนตัวแล้วดับไม่ไหวตึงแล้วดับไม่สามารถจะกลับเริ่มาให้มีสภาพเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วทึงอย่างมันใกล้ถึงเวลาที่มันจะต้องดับสนไปก็จ ะ, จะเสียดายไอ้ถงหนังห่อขอี้ที่คลอง เป็นที่อาศัยของใจของเธอที่ดีที่สุดจะเสียดายมั้ยแล้วก็นั่งพิจนารณาดูก่อนคนอย่างเราที่ก็ดีปัสสวะก็ดีนะปุจจาระปัสสวะล ะ, ะไปหน่อยแตนะ่ตัตวเงสิ่งที่เราหน้ามันเปลียดขยกักขยแยงไม่อยากแะ ต, ต้องไม่อยากเห็น ไม่อยากสัมผัสกับมันเลยนะสักนิดเดียวจะมาอยู่กับโตกของเราเนี่ตลอดตั้งแต่ตื่นยันหลับมาอยู่กับเรามาตั้งแต่เราออกมาจากท้องของพ่อของขอ ง, ของแม่พอออกมาจากท้องพ่อต้องคิดแล้วน ะ, ะั้าจะออกมาจากท้องแม่แล้วตั้งแต่อยู่ในคันของผู้ที่เป็นบรรดาของเราแล้วมันก็หมักหมมในสิ่งนี้อยู่มาแล้วตั้งแต่ต้น เปลี่ยนจำมันของเก่าออกไปเขาใหม่ใส่มาใหม่แล้วมันก็ห ม, มักหมมอยู่อย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่มันไม่เคยเปลี่ยนเป็ความเน่าเหม็นไม่เคยเปลี่ยนความ ก, กรกไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่คอยเสียแทนเราไม่เคยเปลี่ยนภาระของเราที่ต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าอาหารมาใายให้กับร่างกายตลอดแม้กระทั่งลมหายใจก็เราก็ต้องพยายามหายใจเข้าออก แต่มันบางเวลาเธอจะไม่ได้สนใจว่าเวลานี้หายใจเข้าเวลานี้หายใจออกแต่ในบางครั้งมันหายใจไม่ออกเธอเ้าอยากจะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆพยายามจะให้มันมีลมหายใจอย่าเพิ่งดับอย่าเพิ่งหมดไปเดี๋ยวฉันตายแต่ก็อย่าเป็นพวกต้องการลมหายใจอยู่ดีมันเป็นอาหารของร่างกาย และก็ไม่ได้เป็นภาระอันหนักเกินไปเพราะว่ามันทำนายของมันเองแต่ถ้ายามใดไอ้สิ่งที่มันไปุดช่องลมหายใจเข้ามันเกิดปดตันด้วยเป็นเรื่องเรื่งลําบากมันก็เป็นภาระของมเธอเสแ็จแล้วเธอต้องจัดการระบายสิ่งนี้ให้มันโปร่งให้มันโล่งหายใจมันจะได้เข้าไปทั่วท้องทั่วปอดเรารู้สึกมันโปร่งใจแล้วกสบายใจนั้นเวลาเจริญพระธรรมฐานเพื่อ นับดับลมหายใจเป็นอนุสติเวลาอาจารย์เป็สอนให้พวกเราทุกคนเนี่ยดึงหายมายใจเข้าไปลึกๆหายลมหายใจอ่อนยาวๆเพื่อขับลมที่มันคั่งค้างออกไปเียให้หมดกละบวการเหมือนเราล้างข้อให้มันตะกอนทั้งหลายมันหลุดออกไปสัก่อนน้ํามันถึงจะไหลผ่านได้ดีข้อนี้ฉันใดลมที่มันติดจุดอัด อ, อ, อยู่ในร่างกายของเราที่มันมีอยู่แล้ว ลมเสียก we we right, ็ด so ีลมอะไรก็ตามเถอะที่มันคอยขัดฝางลมหายใจใหม่ที่จะเข้าไปให้มันสะดวกสบายเราก็ดึงลมมันออกไปซะเรื่องหายใจกระแทกกระแทลึกๆเอามันออกไปยาวๆแล้วใจจะรู้สึกจนมาเริ่มร่องใจร่างกายเราเริ่มเบาลงหน่อยแล้วติดถึงตามเป็นตามเป็นจริงว่าเมื่อเราหายใจเข้า ความตายก็เยียรเราเมื่อลมหายใจออกความตายก็เหยียร์เราถ้าลมหายใจไม่เข้าไม่ออกร่างกายนี้ก็ตายทันทีนั้นชีวิตอินทรีย์ที่เราได้ครองอาศัยอยู่กับทุ่งผงที่ใส่แต่ของตกกระปรกอยู่นี่ที่มันสามารถจะเดินได้ก็เพราะมันมีของแข็งคือกระโดดที่มันยังนุ่มนอนได้ก็เพราะมันมีน้ํา ที่มันจะดูอบป่นได้ไม่เยือกเย็นก็เพมีความร้อนช่วยประค อ, องอยู่ที่มันจะมีน้ํามีนอนได้เพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่สมดุลกันพอดีแต่เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมันหดหายไปหรือว่าแห้งลงไปมีน้อยลงไปเยื่อหนังของเธอที่มันเต่งเึ่งเต่งเต่งห่องใสมันก็จะเปลี่ยนไปรูปสมนพันธ์ของเจิก็จะรัดเข้ามาสู่กระดูก โคงสร้างของกระดูกยาเล็กแค่ไหนมันก็ยาเล็กเข้ามารักเข้ามารักเข้ามาจะเห็นคนที่กินข้าวไม่ได้นี่ะแล้วไม่สามารถจะทานอะไรได้เลยมันไม่เหลืออะไรเล่านั้นเป็หนังหุ้มกระดูกจะเห็นแยนกระดูกโครงล่าโครงสร้างที่มันชัดเจนมากขึ้นโครงของหน้าจะชัดขึ้นลู ก, กาตาที่เคยอยู่ในสภาพที่ดูดีมันก็บุม๋มลงไปแยนที่เคยมีน้ำมีนมมันก็แห้งติดจะโครงหน้ากระดูก เป็นหน้าเป็นโครงกระดูกดกระกดูกกะโหลกดุจสมนงนพันของเราจะเป็นยังไงพันจนมันก็จะยืดออกมาแต่ามาคางเทอมันก็จะลดลงไปติดเยื่อหนังมันก็ติดตาม ก, กระดูกเป็นล่องเป็นล่องเป็นล่องที่โครงไปเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นกระดูกกี่ท่อนกี่ท่อนก็จะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นแล้วข้อนั้นข้อนี้ลําแขนลําขา เมื่ออาหารมันตกไม่ตกมาไปในท้องน้ำมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อมันก็ไม่มีทุกอย่างเหลือจะลงหายใจเข้าไปค่อยๆน้อยก็ไปทุกทีทุกทีแล้วเคยคิดดูให้ดีว่าเมื่อใดที่น้ำมันแห้งมากเข้าเท่าไหร่มันก็เบียดคั้นขั้นอวัยวะเลือดในร่างกายก็มีน้อยขึ้นเลือดไหลน้อยเท่าไหร่มันก็ทำํำอาการปวดปรมานตามผิวหนังตามกระดูกตามกระโหลก ตามเส้นต่างๆที่เลือดมันไปโดยเฉพาะเส้นละเอียดละเอียดตามลูกตามันปดวดไปหมดตั้งแต่ตมมเส้ น, มม น, ป น, เ น, นปลายเส้นผมจนถึงป่าเท้าไอ้ปลายเส้นผมมันไม่ปวดหรอกหมายถึงโคนผมเนี่ยตั้งแต่ปลายประสาทของโคนผมตั้งแต่หนังหัวเราไปเลยจนถึงป่าเท้ามันจะปวดเลือด ล, อดล้าแสกเจ็บปวดกระดูกเพราะาอะไรลมมันไม่เคลื่อนตัวง่ายมันก็ทําให้เสียสีเข้ไปในประสาทต่างๆ แล้วมันก็จะเจ็บร้าวไปกระดูกบ้างลมในกระดูกก็น้อยลงกระตายก็เริ่มเสียบแทงเรามากขึ้นเพราะว่เลือดมันน้อยเส้นเอ็นมันก็รีดเลือดจ็เป็นอีเส้นเลือด ก, ก็ลูดลมก็มีการอุดอัดภายในท้องอุดอัดขึ้นสมองอุดอัดตามข้อแขนข้อขาร่างกายเป็นยังไงมันซึมโทลงไปเวทนาเลยมากขึ้นไหมมากเป็นเงาตามตัว รูปโฉมลมพันของเธอมันเป็นเพียงเท่านี้แล้วว่าจิตลมมันดักคราวใดไอ้ซากเหมือนกับซากท่อนไม้ที่ไราสาระไม่มีค่าแล้วยามที่มันมีเนื้อมีหนังแต่งเป็นรูปโฉมลมพันธ์ยังโดนงดงามผิวพรรณโดยของใสก็เป็นที่ต้องกาต้องใจของหนุ่มของสาวของผู้ที่มีตามดินดีในรูปของผู้ที่มีจิตใจรักเข้าเมตา จะปู่ย่าตายายพ่อแล้วก็แม่จนว่าร่งางกายของเธอแห้งเหี่ยวมันท่อนไม้แค่เป็นไม่อยากจะแตะจะต้องมองเห็นก็เหมือนจะมองอะไรที่โครงนรืกระดูกเดินได้หรือไม้เสีผีเดินได้ทาว่าจะมีใครมาเหลยวแลเธอเธอเห็นคนที่เขาตาโรคเอิดไหยละ่ะ ใครก็มาอยากแตะต้องแม้แต่ญาติตัวเองก็ยังไม่เข้าหาคนที่รักจริงๆก็จะจะเบือนหน้าไปหนีจากไปทิ่งให้คนที่มีรูปมีร่างที่ไม่สามารถจะพักเข้าประคบประคองอาหารของตนใส่ลงไปร่างกายได้ถูกทังทลายด้วยสิ่งที่เรียกว่าเสื้อโรคทําให้ทุกอวัยวะทุกอย่างเริ่มคลายการทํางานปกติจนถูกบดขั้นค่อยๆแห้งเหี่ยวลงไปถูกทําลายไป อาหารลงไปไม่ได้เนื้อห น, นังก็มีสภาพสกปรกสโสโครกชัดเจนมากขึ้นกระปุกกระตําน้ําเหลืองน้ําหนองก็ ป, ปรากฏให้เห็นซี่โครงก็ ป, ปรากฏให้เห็นลูกขนลมพันกับลูกกระต ong ลูกกะตา ก, ก, ก็ฝ้าเหลืองอลาตาก็โบว์ลงไปฟันก็ยื่นออกมาผมก็สลายได้มีไม่มีสาภาพอันน่ามดงามหมดเง า, งาผิวหนังไม่ต้องพูดกัน รูปร่างหน้าตาไม่ต้องดูกันว่าเป็นอย่างไงแล้วจะมีใครเข้ามารักจะมีใครเข้ามาเมตตาสงสารเราจริงจังแล้แต่ตัวเราเองเราจะทำอย่างไรกับร่างกายที่เป็นอย่างนี้ปวดร้าแบบนี้เจ็บอย่างนี้จะไปคิดอะไรตอนนั้นดั้นคามตายมันใต้ก็มาเยียนให้เราให้เราทุกคนได้เห็นอย่างนี้มันอย่างนี้มันชัดเจนถูกไหม แต่พอลมหายใจมันดับแต่อย่างที่รดสมลมพันธ์ของเรามันยังดูดีเต็มเป็นอยู่อย่างเนี้ยก็จะคิดว่ามันจะไม่เป็มมันอย่างที่คนอื่นเขาเป็นอย่าง ร, รื้ลมดับข่าวใดให้ร่างกายจะเสวยทิ้งแค่ไหนก็ตายวันเดียวกันให้เป็นจะเป็นเที่รักที่เชิดชูยินดีของคนทั้งหลายเพียงใด่ความตายก็เยือนได้ทุกเวลาถ้าแต่เป็นกล้อมเนื้อก็ตายได้ จะกลาว่าตั้งแต่ยังไม่ผสมพันธุ์ไข่มันก็ตายแล้วตอนเริ่มผสมพันธุ์มันก็ตายได้มันเริ่มแตกแยกออกมาเป็นเซลเล์เริ่มเป็นรูปเป็นล่างมีหัวมีแขนมีขามันก็ตายได้เริ่มที่อวัยวะยังมีไม่ครบมันก็ตายได้จนมันออกมาแล้วมันก็ตายได้มันตายตั้งแต่ยังเป็นไข่และแถึงสิ่งที่สุดมันก็ตาย เหมือนกันหมดนั่นคือพื้วว่าความตายมันมีต่รามาตั้งแต่เกิดถูกหมมันใช่ไม่ไม่ใช่มันเึิ่งจะมีเดี๋ยวนี้หรือมันจะต้องไปมีไอตอนที่เราแก่ชลาหรือต้องไปมีไอตอนที่เราเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมันถึงจะมีมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตความตายนั่นสิ่งที่ว่ารูปโฉมลมพันของเสือที่ทเสือประคองอยู่นี่ มันเป็นสมบัตที่เธอตั้งใจที่จะใช้มันเพื่ อ, อยังประโยชน์อย่างนี้ก็ยังพอคิดได้ดีแต่ถ้าตั้งใจคิดว่าเป็นของของเธอแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความรู้สึกกลัวใม่มีความรู้สึกกลัวอะไรสาหรับคนที่คิดว่าร่างกายเป็นของเขาเขาจะไม่กลัวอะไร ธอรู้ไหมเขาไม่กลัวอะไรแต่สาหรับเราผู้เห็นว่าร่างกายอย่างนี้ไม่ใช่ของเราแล้วรู้สึกกลัวอะไรบางคนก็กลัวที่จะกลับมาเกิดอีกช่กไหมไอ้นี่ยเขากลัวว่าจะไม่ได้เกิดกล ว, ว่าจะไม่สวยเหมยอยือนที่เคยเป็นอยู่อย่างนี้ ความกลัวเขามีมากมายเขาก็ยังยึดถือว่าร่างกายเป็นของเขาทิ่งที่เขาไม่กลัวเขาจะไม่กลัวอะไรนั่นก็ยังเด็กไม่ออกเหมือนกันแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมาตั้งคําถามแต่ก็พิจารณาของเรากันต่อไปว่าถ้าความจริงมันเป็นอย่างที่คิดที่เห็นที่รู้อยู่อย่างนี้เธอจะยืนยันกับความเป็นจริงที่ปรากฏไหมว่า ความตายเป็นสมบัติบบที่เราต้องปรากฏมีได้ทุกขณะจิตและต้องตายเดี๋ยวนี้เสมอไม่จาเป็นต้องไปเดี๋ยวหน้าคนที่จะมีความสุขมากที่รู้ว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้ก็คือบคุคคลที่ไม่คอยใจการเป็นมนุษย์แล้วถ้าเรายังมีความสึขกลัวกับความตายนั่นเรายังมีอวิชชาหรือยังมีความพอใจ ยังมีความจินดีกับการมีร่างกายนี้อยู่ถ้าจะตัดสินใจเสียเดี๋ยวนี้ตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระธรมครูต่ชีวิตมันต้องตายแน่รูปสงมนงพันของเราเวลานี้มันจะเป็นอย่างไรไม่เะิดเรื่องชีน่าจะได้อะไรเลยเพราะสุดท้ายเมื่อมันตายสิ่งที่เป็นอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนไป ผิวหนังก็จะเปลี่ยนสีความอ่อนก็จะกลับกลายเป็นความแข็งริงที่ไม่ใครกระทบความเหม็นเอามาก็จะแสดงความเหม็นเน่าออกมาให้เห็นง่ายขึ้นสึ่งสกปรกที่นในเคยปะจานเอามาก็จะปะจา์ให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าร่างกายของเธอต้องเป็นอยู่เช่นนี้และเธอไม่ออกจากร่างนี้ไปจะจาใเหมือนจะเป็นมัมมี่ไหมมัมมี่ย่างดียังมีผ้าพันติดปอกต้องไวใช่ไหมก็อาจจะเป็นเหมือนจะเสือก็ได้ให้ลําไต้ตองแต่งตรงกันงใช่ไหมอ่าแล้วจะเหมือนเปิดก็ได้ ที่นี้จะโค้งกระดดแล้วก็มีอะไรไหลยมเยินไหลยดติงติงเวลาเดินแต่ไหนก็มีน้ำเหลืองหยดหยดติ้งติงไปเรื่อยๆไปงห็นเปรตบางประพวกบางจำพวกเอ๊ะคือาทรุของเธอเป็นแบบนี้เธอจะจคนมันไหวไหมคนที่จะอยู่กับมันต่อไปไหมจะรักมันมากไหม จะปรารถนาที่จะคิดว่าฉันเสียดายมันรัเกลื่อนร่างกายฉันอุตส่าห์เขประคับประคอมันมานานอุตส่าห์เข้าสนุกข น, นอบมบำรุงบรรเทาได้อาหารอย่างดีคัดสรรอย่างดีทุกอย่างดีหมดจะอาดสะอ้านหมดจะรู้ไหมว่าอาหารที่มันเป็นให้เรารด้กินเข้าไปนั่นแหละมันก็มาจากฟันตกตะกตกทั้งสิ้นแต่ถ้ากินฟันตกตะกตกเปนอย่างค่ํา ไม่มีอะไรที่มันสะอาดเลยต่อให้ล้างมันยังไงมันก็คือความสกปรกอยู่นั่นเองแห้มันดูว่าสวยงามแค่ไหนมันก็คือความสกปรกอยู่นั่นเองตัดสินใจได้ไหมว่าเราไม่อะไรอาวรณ์ไม่พอใจกับร่างกายนี้เราคิดว่าร่างกายเอ็นฟีอย่างนี้มันไม่สมควรที่คนฉลาดอย่างเราจะต้องมาอาศัยมันเพื่อการอยู่ของจิต สถานที่ที่ติดคนอยู่มีดีกว่านี้สวยงามกว่านี้สบายกว่านี้ไม่มีภาระไม่มีความกังวลไม่ถูกร่างกายอื้อคั้นไม่ต้องมาทุกขเวทนาปรามาณ ก, กับสังขารที่แปลตัวเปลี่ยนไปไม่ต้องมาทุกขกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นไปของธาตุขันธ์ทั้งหลายไม่ต้องมาแบกภาระที่จะต้องพยายามแสวงหาทัพแสวงหาสิ่งของเสื้อผ้าอาภร์ สแสวงหาที่อยู่อาศัยสแสวงหายาสัตร์รักษาโรคของเธอทุกอย่างเธอต้องทํามันขึ้นมาไม่ใช่เสร็จขึ้นมาได้ในระดับยาไม่ได้ในระดับอาหารไม่ได้ในระดับที่อยู่ไม่ได้ในระดับเคื่อผ้าไม่ได้จะต้องไปทำยังไงกันมาไปทํางานไปใช้แรงงานไปถูกดิบั้นจิตใจให้เขาใช้ให้เขาขบให้เขาตัด ให้เมียโขกให้ปัวโขกให้พ่อโขกแม่โขกให้พี่น้องโขกให้เพื่อนมันโขกเข้าให้คนไม่ใช่ยาเป็นโขกกันก็ไปสับกันก็ไปดีบคั้นจิตใจเข้าไปเช้ามันก็ไปแล้วก็ทงเตือนทนทำไม่ทําก็ไม่มีสกังไม่ไม่มีสกังก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารไม่มียูกยาไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ไม่มีสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เราสามารถอยู่ได้ต้องคนทํำไหม ทำดีนั้นเป็นสุขและเป็นทุกข์เป็นความทุกข์ถ้าเราทําครั้งเดียวแล้วมาทรงได้ตลอดการตลอดสมัยเรื่องนี้ยังน่าลงทุนทำไอ้นดยทำแล้ว ท, ว ท, วทําเล่าทำครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เห็นมีอะไรมันอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแม้แต่อย่างเดียวเหน่เปล่าไหมเรื่องนี้เขาเรียกว่า บ, บ้าหอบฟางไหมเวาลาเเขาว่าอย่างนั้นไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นเรคิดแรกรักแต่แบบนี้เป็นต้นไปเราจะใช้เวลาที่เหลือของเราเนี่ยมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อจะพ้นออกจากมันและจะไม่กลับมาเกิดอีกบนทางที่พระพุทธองค์ทรงตัดงดงามดีแล้วเราจะใช้กําลังใจที่เรามีนี่แหละใยความรักตัวเราในตาตัวเราสงสารตัวเราจิตใจเรานะสงสารใจเราที่ต้องมาอยู่กับไอ้ร่างกายสัพพลังเคอย่างนี้อนร่างกายที่ต้องบุบบิดข้ามในของตกกตกเน่าเหม็นแบบนี้ ให้เอาใจของเราไปอยู่ในที่ดินแดงที่มีความสุขนี้ดีกว่าใจเราจะได้มีรสสมนมพันต์ที่งดงามเหมือนเทวดานางฟ้าเป็นอย่างน้อยเนื้อเหมือนพรหมเนื้อเหมือนพรสุศชิเทศจะรู้สึกเบื่อหน่ายร่างกาย ข, ของเธอแล้วหรือยังธะรู้สึกขยะบหวาดตัวกับความทุกข์ก็การ ม, มีร่างกาย ข, ของเธอแล้วหรือยัง คิดคว่าเสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางเดินให้เราเนี่ยเป็นคามเศร้าเดืของเราแล้วหรือยังการที่เราได้มาเป็นสาวกได้เป็นผู้จะตั้งใจประพติปฏิบัติตามพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเสียงประเสริฐของตนบัเราแล้วหรือยังคุณของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราได้มีโอกาสได้กราบแท่พระบาทใกล้ๆล้วอยากจะไปกราบพระองค์ไหมเราอยากจะเข้าไปใกล้ๆพระองค์อยากจะเห็นพระองค์ชัดๆเจ้ามพระเสด็จระเสียงพระองค์เสด็จพระบรมโลกเกษตร จะจะได้เห็นแววพระเเดชของพระองค์ที่ทรงมีน้ำพระใจพระเมตตาต่อเราอย่างมหาศาลที่ทรงตละชีวิตตละความเจ็บปวดสละความทุกขเวทนาอดทนทรมารมายาวนานหลายชั่วอาสงไข่กัดเพื่อจะได้พบหนทางแห่งความพ้นทุกข์และจะนํามาบอกให้เราได้เดินไปสู่ความสุขอันสมบูรณ์ที่บริบูรณ์ปันนี้ดีกว่านี้ไม่ต้องมาอาแสนร่างกายที่เป็นเรือร่างเหมือนกระถุงขี้ ที่บิดคั้นเราตลอดเวลาเราจะได้มีเรียร่างที่งดงามมีที่อยู่อาศัยที่สุขสบายเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องอาศัยใครมาบิดคั้นจิจตใจเราไม่ต้องมีใครมาใช้เราต้องทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ทำไอ้นูน่น จ, จะเกิดจนตายถูกใช้หมดไม่คนอื่นใช้ตัวเราเองก็ต้องใช้ใช้มันไปใช้มันไปหาของนั่นเพื่อบรรเทาความทุกข์ ให้มันไปเอาของนี่เพื่อมันมาเท่าความทุกข์ของตนมันวุ่นวายอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเลือกใจของเราจะอยู่ที่ไหนเลือกไปอยู่บนสวรรค์ดีไหมเลือกไปอยู่ที่แดนพ ร, ร ม, ลรามาโลกดีไหมหรือจะเลือกไปอยู่พระนิพพานกันดีถ้าเราเลือกไปอยู่บนสวงสวรรค์ไม่นานนักเราก็ต้องอันตรธ า, านามดจดที่นั่นไป ถ้าเรายัมีความพอใจยินดีในความเป็นมนุษย์ก็เป็นจับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราอยู่บน ส, สวรรค์เราไม่มีความพอใจยินดีกับความเป็นมนุษย์แล้วไม่ยินดีต่อการเป็นเทวดาด้วยสมตอนนี้โอกาสที่รนุษย์ทำียงตาเป็นอารักษ์กุลการเป็นเทวดานางฟ้าก็เป็นของง่ายนั้นตัดสินใจง่ายๆกันตอนนี้ดีไหมว่าย่างเรวที่สุดของเราก็ตงมีกายมืเทวดานางฟ้าเถิด คอยกายของเราในปรากฏมันเซลดานาม้าเป็นจิตของเราได้มีโอกาสได้ไใจอาศั ย, ยได้เร่งสัมผัสดินแดนที่รียกว่าสวรรค์ถ้าเราสามารถมีกําลังใจของเชิญนั้นถึงซึ่งพังนิชานได้ก็จรงไปสัมผัสดินแดนที่ได้กวัฏนิพานแต่ถ้าเราอยังไปถึงนิพานยังไม่ไหวไปแวะเยี่ยมเยียนดูสถานที่ที่ท่านและหลายท่านที่ท่านพากันละทิ้งสังขาร โดยไม่มีเจตนาอยากจะละทิ้งก็มีโดยความตั้งใจอยากละทิ้งก็มีไปดูซิว่าเขาอยู่กันสงสวรรค์นเนี่ยมันอิตระยังไงเทวดานางฟ้าที่เขาอยู่กันเนี่ยมันมีความสุขดีไหมถ้าเรามีร่างกายมันอย่างท่านมีโรคสมลมพันเมันอย่างท่านเราจะสบายใจมากกว่านี้ไหมเทวดาไม่มีหน้าที่การงานในการงานที่ต้องสแสวงหาทรัพ สแสวงหาอาหารสแสวงหาเสื้อผ้าสแสวงหาที่อยู่อาศัยแสวงหายกยาไม่มีมีแต่หน้าที่อย่างอื่นแต่หน้าที่การหาแบบนี้ไม่มีถ้าเราเป็นท่านเราคงสบายใจไหมมีความสุขดีกว่านี้เยอะมากจริงไหมถ้าเราไม่ต้องทำงานก่อ น, นั้นประเสริฐแล้วแค่เราไม่ต้องกินในสุดยอดของคามสุขไม เป็นสุดยอดของความสุขได้ไม่จํางกินไม่ต้องนอนไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องมีใครมาจจ้ที่คอยใช้คอยติดคอยด่าคอยว่าคอยตักคอยเตือนคอยยุบยังจะแครงร่วงมไปคอยดิดทั้นจิตใจอของเราไปคอยจะมาเห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบใจอยู่เรื่อยไปจมะมาเป็นความสุข ด, ดีไหม ตน่นจัดก็เดินตามตุกดีมากแล้วแต่ยังยังไม่ยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมมีดีฝา น, นี้อีกเรามาดูที่นี่กันก่อนแค่บางส่นสวรรค์กันก่อนเอามาที่ชั้นดาวดึงก็ได้ขอบารมีขององรรค์เพระจอมเกล้าพระมหากษัริยาพระครูบาอาจารย์กรมพเจดารานางฟ้าท่าหนหลายใน ท, ทั้นปู่ท่าอินทันยันท่านย่าและท่านอาจารย์จุติมหาราชทั้งสี่ท่าอินทกา และทุกๆ่า้นที่เนตาวีพุทธึงต่อข้าพพุทธเจ้าตลอดมาขอได้โปรดนําพาจิตใจของข้าพพุทเจ้าได้มีโอกาสสัมผัสความจุขที่ท่านได้ เ, เสวยวันสงสวรรค์สันดาววดุรงสักเทวโลกบ้างได้เถิดหากมีความรู้สึกภายในใจของเธอเป็นพระก็ดีเห็นเทวดาก็ดีเห็นท่านทั้งหลายก็ดีมาชักชวนเธอไป ก็ตั้งใจไปนะในี่ใครไปแล้วก็ไปเพร็จไม่ต้องทาตามที่ฉันพู ด, ดนะใครคล่องตัวยังไงไปตามที่ตนเองคล่องตัวเลยเอาคนที่ก็ยังไม่คล่องลองเอาความริ้สึกของใจเข้าไปสัมผัสดูว่าเราจะมีความริ้สึกเห็นเทวดาไหมลูกโสมนมพันของเทวดาเนี่ยเป็นยังไงกับไอ้รูป ร, ร่างของเราเนี่ยเราเห็นละไอ้ร่างกายเน่าๆเนี่ยเห็นชัดละไอ้ร่างกายของท่านน่ะ แต่ร่างกายที่มีจิตอิ ส, สติตมานากายเป็จิตของเราจริงๆเนี่ยที่เรามาถึงแดนนิวรัสวรรค์เราจะมีรูปร่างเหมือนท่านไหมและที่นี้การแต่งกายเหมือนท่านไหมล้วจะมีควา ม, ม, วมสว่างและเข้าบ้างไหมลองดูซิถ้าท่านเราเป็นแบบนี้จริงๆตอนนี้เลยที่อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ไหมเรามองร่างกายที่เป็นมนุษย์ดูซิเทียบกันเอาบ้านคือที่อยู่ของจิต บนสสวรรค์นี่กว้างขวางไม่คับแคบเหมือนถ้าคือร่างกายของเราบนสงสวรรค์กว้างขวา ง, วางหาประมาณไม่ได้มองจุดหัวสุดตาก็ไกลแสนไกลอยากจะไปไหนก็นึกเอาก็ไปถึงนึกจะไปคนต้นไม้มันก็ไปถึงคนต้นไม้นึกจะไปทีส่สวนดอกไม้มันก็ไปถึงสวนดอกไม้นึกถึงจะไปที่นั่งบนมีบนมีตังมีเตียง นวิมานของใครอวิมานของเราจะจะปรากฏ ด, ด้วยบนบารมีที่ทาำตามดีมาในสมัยเป็นมนุษยชาตินี้ในวิหารรับานของเราจึงได้ปรากฏให้ข้าพุทธเจ้าได้โอากาสได้เห็นหลัฐานที่เป็นที่พักใจที่นํามาเพื่อความสบายใจของข้าพเจ้าปรากฏตามตามเป็นจริงได้เถิด ทีอยู่อาศัยของใจใเธอดีกว่าบ้านความเป็นมนุษย์ของเธอไหมดีกว่าไอ้บ้านเน่าๆที่เธอต้องอาศัยมันจิตของเธอไม่ค่มีโอกาสออกจากไอ้ไอ้เน่าไปได้ง่ายๆหล้วนะแต่นี่เธอมาอยู่ตรงนี้เธอมีความรู้สึกของใจปรากฏเป็นสวงสวรรค์สันดา ว, วดึงได้มีความรู้สึกสัมผัสกับเทวาดาและหมู่เทวาดาทั้งหลายบ้างขอบารมีพระพุทธเธจ้าเป็นกำลัง ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสังเคราะ์ให้ข้า พ, พุทธเจ้ามีตาเป็นทิพมีหูเป็นทิพยแต่ว่ามีจิตตรงจิตของข้า พ, พุทธเจ้าเกิดตาเป็นทิพเด็ดดังเทวดานางฟ้าตามความเป็นจริงแต่ม่าจะเห็นและรู้ตามความเป็นจริงชัดเจนเช่นเดียวกับเทวดานางฟ้าทั้งหลายได้เถิดพ้า พ, พุทธเจ้าข้า เวลาเราเห็นอะไรกันเราไปเห็นอย่างนั้นได้บ้างเขาได้ยินอะไรเราก็ได้ยินอย่างนั้นบ้างเขารู้สึกสัมผัสในสิ่งที่เป็นสุกอย่างไรแล้วก็จีนมีความรู้สึกสัมผัสเสียง น, นั้นปากดในแในอารมใจของเราบ้างดูอารมณใจเราสินะมันเบาวบาต้องมาอยู่ในถ้าแคบแคบในร่างกายที่มันเปิดเละเทอะสกระปรกที่ห่อหุ้มไปด้วยหนังกับกองกระดูกกองหนึ่งหนึ่งกับที่อยู่ของเจเนมันกว้างปาง ใหญ่โตเสยสดงดงามมันสว่างแล้วมันมืดตีไหมล่ะมืดไหมล่ะแล้วมันสว่างดีจับเธอมาดูร่างกายของเธอตอนที่เธอเข้ามาในร่างกายตดูสิมันสว่างแล้วมันมืดในร่างกายของเธอมันมืดมันเหม็นมันสกกบกบมันไม่มีอะไรเสยอะไรงามกระดูกออกจากร่างกายของเธอไปมาบนสวรรค์มันเห็นแต่สิ่งที่หอม ของสวยจะอิสระ็นได้กว้างฝวางไปไหนมาไหนได้ตามใจที่เธอต้องการที่อยู่ของใจของเธอแบบนี้ดีไหมแล้วก็นั่งพิจารณา ก, กันว่าที่งไงกายหนึ่งกายที่เป็นที่อาศัยของจิต แตกต่างกับที่อาศัยของจิตบนสวงสวรรษไหมท่านเทวดานางฟ้าทาั้งหาท่านอาศัยความสุขกันกับเอสร่างกายที่เธอได้ฉันและกับท่านเทวดาที่เคยได้อาศัยร่างกายมันต่างกันมากไหมจิตเข้ามาอาศัยในร่างกายกับจิตได้อาศัยแดนสวงสวรรษเอร่างกายมันจะเป็นของเธอได้ไม น่าใจเน่าเน่ามันของเธอไหมมันใช่ตัวเธอไหมมันมีในเธอไหมเธอมีในมันไหมไม่มีมันเป็นที่อาศัยเฉยเฉแต่เธอมันเป็นที่อาศัยเหมือนกับผงที่ไม่จะขี้แต่เยี่ยวไม่จะของะกะปกปกโปรงโครกที่เราต้องทนกับการดิบคั้นจากมันแต่บนสองส่วนไม่มีอะไรดิบคั้นใจเราเลยนะอิสระ เอรีไปไหนมาไหนคล้องตัวนี่เรายังไม่ได้ไปเยือนนิพพานจะเจี่ยวตอนนี้เยอะทนี้เพียนต้งการให้เคอแยะแยะว่าอะไรใช่เราอะไรไม่ใช่ของของเราเราจะได้คิดว่าจิตนั้นเป็นเราเป็นของเราจิตไม่อยู่หน้าดินแดนที่มันเป็นอิสระไม่ต้องมาถูกครอบงำจากภาพทั้งหลายแบบนี้มันมีความสุขขนาดไหน กับจิตต้องมาตุกร่างกาบิบคั้นนั่งก็ บ, บีบคั้น น, บบ น, นอนก็ บ, บีบคั้นเดี๋ยวลมก็อันข้างในยกขี้ก็จะหลดุดโตกจะจะแตกหาัวก็จะระเบิดสารพัดสละเพของมันแบบนี้มันเป็นาละอันใหญ่หลวงไหมเราต้องมาอยู่มันที่ข้าไม่ใช่ที่ข้าธรรมดานะจะไปที่ข้าเหมือนถ้าต้องถูกจองกรรมจองเวรถูกมันเสียดมันแทงก็าสิถูกมันไท้เขาสิ คือมันทำลายสติ่ิรักกรรมมันเป็นแดนของกรรมมันไม่ใช่แดนของบุญกรรมที่เป็นอกุศลละกรรมสัส่วนใหญ่บุญมันส่งผลมันช่วยวัดช่วยรับประเดี๋ยวประเดาวช่วยทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายสั่ประเดี๋ยวเดียวเองเราก็ต้องมาทําทําอีกใช่ไหมแต่เราไม่ทำแล้วกินบุญเก่าถ้า ท, ำ ท, ำทําความชั่วก็หนักขึ้นไปกว่เดิมทีนี้เราต้องมา น, นั่งทำบุญรักทุกวี่ทุกวัน เตืนมากก็ต้องทําบุญจะหลับก็ต้องทําบุญมีลมหายใจอยู่ยามที่ลือมตาก็ต้องทําบุญทําเพื่ออะไรทำเพื่อให้อะตุจลกรรมมาเข้ามาครอบงําให้ร่างกายเรายั้นแย่รบกวนจิตใจของเราไม่ทํามาถูกกระทบทางกายทางวาจาทางใจต้องคอยทําอยู่นั่นแหละคอยตระครองใจอยู่นั่นแหละคอยรักษาใจตัวเองคอยด่าใจตัวเองคอยติใจตัวเอง กำหลับใจตัวเองมันเป็นภาระอันใหญ่ใหญ่หลวงมากและเธอยังมันหลงว่าเป็นของฉันไอ้นี่ก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูไอ้นี่ร่างกายกูไอ้นั่นร่างกายเขาไอ้นี่สมบัติของกูสมบัติของเขาต้องแยกแยกบ่อยๆนะลองคิดตามความเป็นจริงซิว่าถ้าตัวเราน่ะมันจิตสระ แล้วจะมีตามสุขแค่ไหน่นี่นยเราแท้ๆและรักดิ์บรหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนร่างกายนี้มันจะไม่อยู่คงทนขาวรตลาดการตลาดสมัยแน่ช่วงขนาดลมหายใจเข้ามันจะจะออกเราก็จะหลุดออกไปแล้วไปจากบ้านเน่าๆนี้แล้ว อยากไปเดี่ยวนี้มฉันรักสุวินาจีเดียวฉันจะไม่อยากจะอยู่กับมันเลยแต่อยากกระทั่งจะดมดึงลมหายใจให้มันเข้าไม่อยากจะคลายลมหายใจให้มันออกถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเป็ิสระคือจิตของเราเมื่อไม่มีสิ่งนี้มาคอยเสียแทงวุ่นวายไม่จะมาปั่นป่วนในอารมณ์เราไม่จำบวตปั่นป่วนในความคิดของเราไม่จะเมาปั่นป่วนในความจำของเรา ไม่จะมาปั่นป่วนในสิ่งที่เรารู้สึกสัมผัสสิ่งตา่างๆถ้าตาป่วนเปลี่ยนไปไม่จะมาปัา่นป่วนจิตใจทั้งรูปรูปอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่งดไม่งามต้องม า, าแต่รูปับกลังเคแบบนี้สกประกอย่างนี้เองนี้จะไม่บังเกิดขึ้นกับเอีกต่อไปแล้วเมื่อเราหมดร่างกายนี้เสียทีนั้นคามเบทั้งหลายเราจึงตั้งใจทําด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดียวทำด้วยความมุ่งมานะตั้งเป็นอารมณ์เดียว ไม่เปลี่ยนอารมณ์ไปคิดเรื่องอื่นไม่สนใจสิ่งเปลี่ยนสําคัญไปยิ่งาก่าการที่เราจะหลุดพ้นจากร่างกายนี้ไปเสียทุกคมหายใจเขาออกเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่หนอเราจะไปจากร่างกายนี้สักทีเมื่อไหร่เนอมันจะได้ดับสักทีเมื่อไหร่เนาะทุกทั้งหลายจะได้สุดสิ้นจากเราเาสียทีเมื่อไหร่หนอแล้วก็ได้คิดอยู่เพียงแค่นี้ แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราได้คิดว่ า, มาเมื่อไหร่หนอะเราจะได้มีความสุขค้นทุกข์ทีเหมือนเรามีความหวังรออยู่ข้างหน้าสิ่งที่กาลังทุกขเวทนามันไม่มีความหมายทําให้จิตของเราต้องไปจับต้องไปรู้ติดรู้ษากับมันเลยเหมือนกับว่าข้างมันมันอยากจะเป็นอยากจะตายเดี๋ยวนี้ตายไปเป็นไปมันจะเบียดขั้นเรายัางไงก็เดียดไปเป็นเสวาอัลลกุรลกรรม มันหนีไม่ได้ก็ช่างมันแต่เมตตาของเราหลุดพร้อมออกไปได้เดี๋ยวนี้ทุกเวทนามันตามเราไปไม่ได้ถูกไหมคัญญาโง่ๆไปทาลายความสุขของเรามันก็ไม่ตามไปอารมณ์งี่เง่าทั้งหลายที่ทําปั่นป่วนในใจของเรามันก็ไม่ตามเราไปไอ้เลอะเน่าๆก็ไม่ตามเราไปไอ้ความรู้สึกสัมผัสทั้งหลายก็ไม่ตามเราไปความคิดที่เละเทอะไร้สาระก็มันก็ไปตามเราไป ชื่อวรุปกดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีที่มันประกอบมาเป็นเรืร่างเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่ตามเราไปขันห้านี่ไม่ตามเราไปนี่จิจิตของเราที่ไปอยู่หน้าดินแดนที่มีความเป็นอิสระสบายอย่างน้อยมาเจอสัมผัสบนสวงสวรรคเธอก็จะเห็นถึงความเป็นอิสระม่าโอ้มันไม่มีขอบเขตเรามาจะมาอยู่ในท่า ที่เป็นบริยขี้แคแคบเป็ดอัดถ้าต้้งถูกเสียแทนแต่กบตอมีอิสระสบายตรงใจและเกินจะไปไหนมาไหนไปได้ไปเ ข, ข, ข้าข้าพระพุทธเจ้าเราไปได้ที่พระจุที่สวรรค์นันดวะเดินสเกลวโลกมีที่พระจุรามณีเจดีย์สถานมีเทวสภ้าเป็นสถานที่รื่นเริงหลายสถานที่ แต่ที่ที่มีความสําคัญที่เราควรต้องไปจุดแรกคือพระเจราญมณีเจดียสถานเพราะที่นั่นเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่สิ่งที่ประทับอยู่เป็นนิมิตของพระองค์ก็คือพระปรมาสาร์ในลิขิตภาพที่เป็นพระเคร่องแก้วพระประมรลีที่ระดับจุเรียงรายไว้ในเจดีย์อย่างงดงามที่หมู่เทวดานางฟาและพระอริยะพรหมทั้งหลาย ขาดการได้มากราบไห้บูชาจะนึกนึกถึงคนขององค์สรด็จพร ะ, าระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้กากันหนึ่งเลืองได้ถือ ป, ประดิษฐาน ส, สร้างตั้งขึ้นมาบนสวรรค์ชั้นดา ว, วเดืงสาเยวโลกทำให้เราได้รู้สึกวันนี้ไงถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีวันนี้ไม่มีพระธรรมเราคงจะเลวฝันนี้ทุกวันนี้ที่มีพระอริยสงฆ์ใครจะสอนเราใครจะคอยบอกในสิ่งที่ท่านปฏิบัติถึงแล้วดีแล้วให้เราได้ถึงถึงตาม รู้ตามท่านบ้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงได้ปรณีผ่านไปแล้วก็เหลือแต่พระาอารียาทรงทั้งหลายที่ยังเป็นองค์ผู้แทนนำคำสัง่งสองขององค์เสด็จพระปฐมที่แก้วมาถ่ายทอดให้กับเราอยู่ เ, เ, เ ม, มเษษเเือง เราจะไปที่ไหนตั้องไาที่มี่ก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เจะได้มีโอกาสรู้และเข้าใจความเป็นจริงก็มาจากพระพุทธเจ้าจเราต้องไปหาพระพุทธเจ้าที่นี่ก่อนแล้วก็ไปกราบขอบคุณท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นครูบาอาจารย์ของเรา ที่เทวสภาก็ได้ให้เหมาะบางคนจะเป็นที่นั่นที่นี่เป็นเรื่องของพระที่นี่เป็นเรื่องของผู้มีพระคุณของเราอาจะจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างยังไงเป็นของไม่ยากอทําใจของเธอให้นิ่งน่ ง, นงสงบให้สิงหองค์สัจธรรมมาสั่งพุทธจจกาขอเจวดาองค์ใดองค์หนึ่งหรือครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายได้พาพาเข้าไเจ้าใจ พ ร, ร, ระเจริญมณีเจดีสัจฐานท่านปริษฐานอยู่ตรงไหนขอให้ากัจใจไปณสถานที่นั้นได้เถิดหรือว่าถวัลยสภ า, าเป็นที่ชุมนุมของเทวาดาอยู่ที่ไหนขอพาดิฉันได้ไปถึงที่ น, นั้นไดเ้เถิดเยงเนี้ยแค่นี้แหละกำลังใจเท่าเนี้จะไปได้แล้วเร้จะ ก, กลัวไปไม่ถูกหรอกเพราะมีท่านผู้ทรงคร่ำพาเราไปได้เราไม่ต้องคิดไปเองก็ได้ได้กําลังใจของท่านกําลังบารามีของท่าน เดี๋ยวท่านพาเราไปเอ ง, งเพียงเธอตั้งใจจริงๆจะไปไหมตั้งใจจะไปกราบาพระที่นั่นไหมตั้งใจจะไปขอบคุณท่านผู้มีพระคุณมที่เวะจวัฒนาไหมแค่เนี้ยขอมีใจเร็ดเธอได้ไปแน่นอนหากเธอไม่มีใจท่านจะพาจะไปทำไม และการห่างเธอมีจิตใจปรารถนาที่จะไปนิพพานมีฤาษาท่านจะไม่พาเธอไปมีฤทูบาอาจารย์ท่านจะไม่ทรงห่อพาเธอไปขอให้เธอวางกำลังใจได้อย่างที่พระอาาราันตท่านวางใจเถอก็สังขารทั้งหลายมันไม่ใช่ของท่านเราก็เห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราท่านไม่มีความพอใจในร่างกายนี้ท่านมีความยินดีว่าร่างกายนี้ทำให้ท่านเก็นสุขแม้สักนิดเดียว หเห็นเหมือนอย่างที่ท่านเห็นไหมตอนนี้เห็นตามารังเกียร์ร่างกายนี้เหมือนอย่างที่พระอรหันต์ออาาท่านลังเกียร์ไหมเห็นตามหน้าเบื่ไหน่ายในร่างกายที่พระ อ, อรยะทั้งหลายท่านลังเกียร์ไหมท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่านแล้วท่านไม่สนใจร่างกายนี้เห็นมันไม่มีความหมายเลยไม่รู้สึกเกียดายกับมันเลยไม่รู้สึกว่ามันจะทําให้ท่านเป็นอย่างไงท่านก็ไม่ใส่ใจมันเลย ไปมาเสียแทงท่านยังไงท่านก็ไม่สนใจมันเลยตั้งสู้ไนาทีเดียวก็ไม่เอามาเป็นภาระของใจเลยเจอทําใจมันอย่างท่านใด้ไหมด้วยเหตุผลเดียวกันว่ามันไม่ใช่ของฉันมันไม่มีของดีดีมาอยู่ที่นี่ที่จิตเรานี้จิตจะเป็นอิสระเสรีไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งใดแต่ถ้ามาครองอาศัยร่างกายยามใดก็เป็นอนุเชื่อตามวุ่นวายที่เสียแทงเราตลอดเวลา ว่าใจของเจตัดสินใจเช่นเดียวกับพระอาหารหันต์ท่านวางเจริญวัฒนไม่พอใจท่านจะตัดความไม่พอใจเท่า น, นั้นแหละตัดความพอใจออกนะเดี๋ยวความไม่พอใจแล้วเมื่อไม่พอใจเสร็จแล้วมันจะมีเยื่อใหญ่ที่จะไปคิดถึงมันไหมมันจะมีเยื่อให่อะไรอาวรณ์กับมันไหมมันจะมีเยื่อใหญ่อะไรหามันจะเป็นโทษมันจะเหี่ยวมันจะแห้งหามันจะแก่ หากมันจะป่วยเท่าไม่สบายอากมันจะตกกระโปรงโศกหากมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันดีไหมดีก็ไม่เห็นจะต้องสนใจมันไม่มีสิ่งที่พระอรยะทั้งหลายพอใจเลยจะพระอรหันต์หมดตามพอใจแล้วหากําลังใจของเธอคิดได้อย่างนี้เช่นเดียวกับพระอรหันต์ที่ฉันก็หมดตามพอใจแล้วฉันไม่สนใจมันมันจะเป็นยังไงตอนนี้มันอยากจะตายก็ตายมันอยากจะเจ็บช่างหัวมันมันอยากจะได้ช่างมัน ฉันไม่มองไม่อยากดูไม่อยากเข้าไปหามันเลยฉันกอเป็นของฉันอย่างนี้ทีความสุขสบายด้วยจิตของฉันอย่างนี้ถ้าเอจอตัดความพอใจในความเจริญรุ่จเรืองได้ตัดความพอใจที่จะมาเสวยความสุขแค่สวรรค์แค่ภมูมาโลกอลรมณ์ใของเธอตัดได้ณเวลานั้นถ้าเธอขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีครูบาอาจารย์ท่านพาเธอไปแน่เธฉพาะต้องรู้แล้ววิญญาอยู่ตรงไหนเธฉพาะต้องเชื่ยวมองเดินหาเองหรอก ถ้าทําใจของเธอถึงและตั้งคามปรารนาเพียงแค่เนี้ยพอแล้วถ้าท่านจะาพาเธอไปเองไปง่ายแม้แบบนี้มันง่ายไม่ต้องกลัวว่าไปไม่ถูกแค่ต้องคิดอยู่เองแค่เดีวว่าเราได้าทาใจได้อย่างท่านแล้วหรือยังตัดสินใจเหมือนแตอย่างท่านตัดสินใจแล้วหรือยังแล้วเรามีคามปรารถนาที่จะไปพบท่านที่านในเสวยความสุขชั่วครั้งวาวก็ยังดี เรามีกําลังใจต้องการอย่างนั้นจริงจังหรือเปล่าแอนเซอรไม่มีความจริงจังกับสิ่งนี้ใครเขาจะพาไปไีฟรีคนไม่อยากไปหรือไม่ตั้งใจไปเขาไม่พาไปหรอกนะถูกไหมละ่ะเมื่อยังงเธอถ้าเขาไม่อยากไปวัดท่าสงเสรจะขยันขยอยเข้าไปทําไมจริงไหมละ่ะแม้แต่ที่นี่ถ้าเขาไม่อยากมาแเราจะไปขยันขยอยเข้ามาทําไมมันต้องเขามีความตั้งใจให่ปฏิบัติจริงๆ ถึงเขาไม่เคยมาเขาก็สามารถจะมาได้ปากมีไว้ทําไมถามเอาก็มาได้นั่นคืกําลังใจเขาต้องการจะมานี้เทวดาเขาก็สงเคราะห์คราชท่านกาส็สงเคราะห์ให้มาได้ให้เดิามาพบในสิ่งที่เธอต้องการจริงๆเห็นไหมมันยากไหมเนี่ยจะจะไปไหนยากไหมไม่ยากแต่ไม่ต้องกลัวไปไม่ถูกไปไม่ถึงถ้าใจของเธอมีความตั้งใจอย่างแท้จริง มันต้องถึงแล้วก็ไปได้แต่ถ้าใจของเธอมันไม่มีความมีความพอใจที่จะไปจริงๆไม่มีความยินดีที่จะไปจริงๆไม่มีใครเขาดันเธอไปได้หรอกให้นั่งวเวทีถ้าตายก็ไปไม่ได้ให้ทำอารมใจยังไงพิจารณาเข้าแล้วยังไงก็ไปไม่ได้้าตัวตั้งใจที่จะไปจริงๆมันไม่มีตั้งแต่แรก แต่แลราไม่ใช่คำว่าอยากไปมันเป็นธรรมสัญญาเจรพยใจในธรรมพอใจที่จะไปในจุดที่เรามีความสุขที่สุดพอใจที่จะหนีจากร่างกายที่เหมือนกัะถ่อมที่เต็มไปด้วยของจกกระป๋อย่างนี้เต็มเรด้วมีดเตหอกมันคอยขึ้นแทงเจี่ยวแทงมาตลอดเวลาอย่างนี้ยขยับเขยื่นไปก็ไม่ได้เพียงแต่มันอยู่ตานรกถ้าจิตของเธอจะไปอาศัยอยู่ในนาบบนรกคือแยก่กว่านี้อีก ถ้วยิ่งเป็นแดนที่เรียกว่าเอาเวจีมหานรกจิตของเธอไม่สามารถจะเคลื่อนตัวไปไหนได้เลยตึงอยู่กับที่แล้วก็มีหอกขึ้นจากข้างบนลงข้างล่างจากซ้ายไปทางขวาจากหน้าไปทางหลังจิตอยู่กับผ น, นังสี่เหลี่ยมแล้วก็มีโตลไฟแดงจนเขียวไม่มีควัน ร้อนจ้าทั้งเหล็ดทั้งตัวใส่ก็แดงเสียบไปหมดกำแพงก็แดงเสียบจ้าไปหมดมันแดงแบบเขียวเจิดเขียวแบบปะกเลยนะเลี้ยงเลี้ยงเองเคยเห็นเมื่อไรเลวไปที่มันร้อนจัดๆมันไม่ใช่สีแดงถูกไหมมันจ้าขนาดนันนก็อยู่อย่างนั้นแหละเคื่อนไหวไปไหนก็ไม่ได้หมดเสื่อตาไปอิสระตอนศึกตอนิีก็ไม่ปรากฏนี้แยกยิงไปไอ้คำเนา่เนาๆในเสืออิฐนะ น, นั่นจำไว้ว่า ยำเวลาที่เราจะ อ, ออกจากร่างกายนี้มันมีอยู่แล้วแต่เพียงแค่รู้ว่าเวลาไหนมันจะถึงเท่านั้นจะมันจะไปที่ไหนจิตเราจะเคลื่อนตัวไปอยู่ที่แดนใดแดนใดนีด่คือปัญหาของเธอถ้าไปแดนนรกสวยหน่อยถ้าไปแดนสวรรค์ก็ดีหน่อยถ้าถึงนิพพานได้ก็โชคดีเลยที่สุดเลยแล้วนะเลือกทางไปของเธอเองนะ แต่ความจริงมันก็คือความจริงวันยังค่ำถึงเวลานี้เธอใจเชื่อไม่สนิทใจหรือคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ความตายจะเป็นแน่ๆและเมื่อตายร่างกายเธอตายจิงตสงเือไม่ตายแน่นอนขอยืนยันมันจะต้องล่องลอยออกจากร่างกายนี้ไปที่ใดที่หนึ่งแน่นอนและสถานที่ที่เธอจะอยู่นั่นแหละมันจะเป็นตัวให้เธอรับรู้ถึงสุขทุกข์ที่เธอจะต้องมี หาเสีพอใจแค่เอเวทีก็ไม่ต้องตั้งใจทํำตามดีให้เสียเวลาหากเสีพอใจถ้าเป็นเปรตก็ไม่ต้องทํำตามดีให้มันเสียเวลาเหมือนกันหรือพอใจจะเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เป็นสัตวรกายเป็นสัตว์วิริยสารก็ไม่ต้องทํำตามดีให้มากนะไม่ต้องทำเลยก็ได้อยากฆ่าก็ฆ่าอยากรักทรัพย์ก็อยากรักทรัพย์ก็รักไป อยากเป็นลูกินเมียใครแต่ทำไปอยากโกหกมดเช็ดก็ทําไปอย่าเดินตุลาก็เดิ้มันก็ไปทามันหนักๆเข้าปิ่นได้ไปอาศาัยใป็นแดนอย่างนั้นไปที่คองของใจอย่างที่เธอปรารถนาเลยแต่ถ้าเธอปรารถนาสวรรค์สมบัติเป็นห้าดาประวัติศึของเธอก็ต้องตรงตัวให้ให้เคร่งครัดรักษาได้เป็นปกติกถ้าเธอปรารถนานที่ผ่านปิ่นต้องเจอบริสุทธิ์ดี จิตต้องแทมุ่งมั่นแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวที่เรียกว่าสมาธิฉันเมริก่าว่าการนั่งเข้าสมาธิคือการเข้าสิงนิพพานจะ่ตั้งแต่ว่าจิตที่มีความมุ่งมั่นเป็นอารมณ์เดียวตั้งใจกระทําทุกอย่างเพื่อปัจนานิพพานจุดเดียวนั่นคือสมาธิสมาธิก็แปลว่าจิตตั้งมั่นถูกไหม เมื่อจิตของเธอตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมันเป็นฌานไหมเป็นฌานเมื่อจิตต้องเธอเตือนยันหลักไม่มีเวลาใดที่จะไปสนใจเรื่องสิ่งสำคัญให้คว า, ามสําคัญไปยิ่งกว่าการไม่กลับมาเกิดถือว่าเธอทสงฌานหรือไม่ทรงจิตเปนสมาธิไหมเ ม, มื่อมิิเธอมีสมาธิปัญญาของเธอเกิดได้ไหมเกิดได้งา่ายถ้าในเวลานั้นเธอย่อมจะไม่พึงประสงค์ จะทำให้จิตใจของเธอนินร์ดกระสับกะสายแต่ในเรื่องที่เป็นโทษกับเธอเลยเธอจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเธอจะสนใจกับการเมตตาสงเคราะห์บุคคลที่สามารถสงเคราะห์ได้ส ง, งสารคนอื่นที่สามารถกระทําสงเคราะห์เขาได้ยินดีมเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความดีเธอจะมีจิตใจนึกถึงสิ่งนี้ตลอดเวลาเป็นธรรมดาและความเป็นธรรมดาที่เธอยอมรับมันได้คือความจริง มันมาตั้งแต่มันต้องตายมันต้องเจ็บมันต้องป่วยมันต้องพัฒนาแล้วก็ไปไปตามอาวุธศิลกรรมที่เราทํำมาสุดท้ายโลกกระทำทั้งหลามันไม่ก่อใจเราเลยเราเพวกเราไม่สนใจว่าโลกธระทมันจะดีกับตรงไหนสุขก็ไม่สนทุกข์ก็เมอนมียศถาบรรดาศักดก็ไม่สนไม่มีก็เมอนใครจะชมก็ไม่สนใครจะด่าก็เมอน จะมีลาบก็ไม่สนจะหมดราบก็เหมือนไม่มีอารมณ์ใจที่เห็นมันมีความหมายกับเราแม้แต่นิดเดียวนอกจากนิผ่านเป็นอารมณ์เดียวนี่แหละเ้เาเรียกว่าสมาธิอย่างนี้เขาเรียกสมาธิจริงใอ้นั่งจักลมหายใจจับนิมิตเขาเรียกสมาธิตองสมาธิจริงคือตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวก็สิ่งที่เราตั้งใจจะทา และการสงบลงไปเพียงแค่จับลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นสมาธิปลอมเพียงแค่ทำให้เกิดการณนัพนิวรณ์หั้้าประการเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ละนิวราห้าประการแต่ถ้าเรา ม, มุ่ง ม, มั่นจะเอาลิพานเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็มันละของมันในตัวเลยนะละอะไรละความพอใจมันไม่เห็นอะไรมีความหมายนะละไหมละความโลภ และตามตรวธมั น, ม น, นไม่รู้จะโกรธคนทําไมโกรธไอ้เน่าของคนอื่นเพื่ออะไรทุกคนก็ไอ้ถุงขีอหอ้หอห่อกันเท่านั้นเท่านี้เหมือนกันหมดเขาอาศัยถุงขี้เหมือนกันหมดเลยก็ไปโกรธขี้มันทําไมโกรธเย้าเขาทําไมโกรธเลือดโกรธเนื้อเขาหรือนี่เราไม่โง่หรือยังไงจะโกรธสิ่งนี้ทําไ ม, มไตามตรวธมันก็ไม่จับใจเราตามหลงเราก็ไม่เอาแล้วเราไม่หลงไหลใส่ฝันจะพอยใจความเป็นมนุษย์ เกิดานางฟ้าผมแล้วเพราะอารมณ์เป็นอะไรเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ตื่นยันหลับตั้งอยู่สิ่งเดียวให้ทานก็ทำเพื่อสิ่งเดียวรักษาสิ่งก็ทำเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวแตริ่อสมาธิก็ทำเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวคิดทุกอย่างก็คิดเพื่อการละสิ่งเดียวนี่เขาเรียกเป็นสมาธิไหมเป็นสมาธิเมื่อเราตรงตัวคือคิดตั้งแต่ตื่นยันหลับตลอดเวลาทำเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าตรงฌาน ว่เาเตอทรงฌานโดยจำฮะพิธอย่างนี้ถึงจิตจะตายแยกออกจากกันหมายความว่าเราไม่อะไรเอาวว้กับร่างกายคือบทความปอใจจริงๆทางหัวมันเมื่อไหร่นั่นเป็นฌานสี่เมื่อไรก็ตามเธอไม่สนใ จ, จร่างกายบทความปลอยใจกับมันในขณะจิตนั้นเวลานั้นแล้วไม่รู้สึกว่าเราต้องไปมีอะไรกับมันอีกเลยหรือมันมีอะไรกับเราเลยขาดสะบั้นคามปวกพันระหว่างมันกับเราขาด คามรู้สึกนึกถึงมันอีกขาดคารกังวลกับมันอิดขาดการห่วงใยมันขาดไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าเขาว่าพอใจมันแล้วไม่มีตนับเราแล้วนั่นคือทานสื่ปรากฏกระเทอนแล้วเขาเรียกทานสื่อจริงกายปิติแยกออกจากความรู้สึกอย่างเด็ดขาดเธอสามารถจะตัดกิเลยเป็นสโสมกเศษแจะประหารด้วยอารมณ์แบบนี้ เมื่อทำบ่อยๆเข้ามันก็ตรงตัวคามเป็นรอริยะบุคคลในพระศาสนาถึงที่สุดคือความเป็นอาราหันถึงนิพพานในชาติ ป, ปัจจุบันก็เป็นของง่ายๆวันนี้ก็ขอแนะนำของพระธรรมฐานพอเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ถือเอาเป็นครูหรือเป็นตำรา จะเาเป็นเพียงแค่แนวทางที่เธอพยายามเอาใจจะไปคิดอภินอนารณาจะใส่ลองทบทวนดูถ้าเธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีเธอก็ไปทํามันสืบเนื่องจะคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ไม่ต้องทําต่อไปไม่มีใครว่ า, อ, าอะไรนะแต่ตอนนี้นึกถึงคนของพระพุทเธเจ้าก่อนดีไหมให้ถึงคนเขาทำคุณของพระ อ, อริยะสองคุณครูบาอ า, าจารย์สืบ ก, ก, กันมามีหลวงู่ปานวัดวาบานงําโค มีพระเดชพรคุณหลวงพ่อพระราชสมยานในสิงท่านปู่ท่านยา่าท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลายกรมมเท ว, วดานังฟ้าทั้งหมดทั่วสากุลละทิพยกราบขาพบพระคุณท่านที่ทุกๆพระองค์เมตตาสงเคราะห์แก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดมาขอได้กลัมาเป็นกําลังแห่งใจของข้าพระพุธเจ้าทั้งหลายได้ดําเนินรักษาดวงจิต ข, ของข้าพระเจ้าให้มีกําลังสบะบาดแก่กล้ามีสติปัญญาเป็นเยี่ยม มีสมาธิมั่นคงตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวตรงสู่พระนิพพานชานี้เป็นที่ไปขอให้สิ่งที่เป็นบุญบรารมีทั้งหลายเร่งเสด็จพระจอมแต่บ ร, รมาศาสตา์กรดาจงได้ถึงแล้วพระอริยส า, าวกทั้งหลายเข้าถึงแล้วทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอารามทั้งหลายก็ดีเข้าถึงแล้วขอให้ชาติพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงได้เข้าถึงธรรมนั้นเช่นเยวกับกทุกพระองค์อย่างง่ามและรวดเร็วในชาติปัจจุบันได้เพลิน เรามาตั้งใจคิดสงกสนกันนะติดทางบนยะพลังบนละบนใดที่กข้าไปเจ้าทั้งหลายได้ตํำเพนแล้วณโอกาสนี้เพราะคิดสมกสนนี้ให้แก่จ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้กราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอทิศสุขโตดนี้ให้แก่เที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ปกปัรักษาข้าพเจ้าและเจ้าทั้งหลายเพื่บบาพาพาสพอ ส, สนนอร า, า, ารกลละพิคบ นัศยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายรัศยายมรารจตโปรดเมตนาจโปรดเป็นสักขีพยานในการบรรพิกรสนของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอจุดจงกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติวดีหรดอใช้ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาถึงเนรับประโยชน์ความสุขที่ได้ศักดิ์รพระเจ้าจะพึงได้รับในการระบตดเดี่ยวนี้เศษ็จผลละบุญใดที่สระปเจาทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ขอสมบุญ น, นี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงตึ่งพระนิพพานในชาตปัจจบรรุบันโด้เทิมอระหังสัมาจัมพุทฉวัปโกวาสุทางพระพุวันการอภิวาเทมิตวาคาโตพระวจจาสม ม, มูล ธรรมนามาสะอามิตุสัจจันโนภะคะวะเตสาวะกะสังโฆตั้งคัมณปามิ